เะจิตวินเยยทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปฏิญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยร้อยเจ็ดสิบหสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมตุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสันที่ขณะ หาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ อาศัยขันหนึ่งที่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้น เพราะเหตุตุปปัจยใจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปที่จิตบางดวงรู้ได้และที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้อาศัยขันหนึ่งที่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและขตตารูปที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทานรูปที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น ขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตะสมุฐานรูปและกตัตรารูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทารูปที่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยขันหนึ่งที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้น ละถึงอาศัายขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัายขันเกิดขึ้นขันอาศัายหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัายมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัายมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้อาศัสายสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจได้แก่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 สภาวธรรมที่จิตบังดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่จิตบังดวงรู้ได้และที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปที่จิตบังดวงรู้ได้อาศัยขันหนึ่งที่จิตบางดวงรู้ได้และที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น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 จิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระร้อเจ็ดสเก้หตุปัจจัยมี่ก้าวาระอารัมณะปัจจัยมี่ก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี่้าวาระอนุโลมจบสองปัจญยปัจญียะ สองสังขยาวาระร้อยแปดสิบนเหตุปัจจัยมีก้าวาระนอาอรมณปัจจัยมีก้าวาระและถึงโนวิคตะปัจจัยมีก้าวาระการนับวาระทั้งสี่อย่างบริบูรณ์แล้วอย่างนี้พึงขยายสหชาตะวาระปัจยะวาระนิสยวาระสังสัทธวาระและสัมปยุตตวาระให้พิสดารอย่างนี้ ในปัจยะวาระพึงแสดงหัตถายาตุและอายตนะห้าพึงเพิ่มในยะนั้นๆตามที่จะหาได้สิบสาเจเนจิวิญญาทุกกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจยานุโลมเป็นต้นร้อยแปดสิเอ็ดสภาวะธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่จิตบังดวงรู้ได้โดยเหตุตัปัจจัยได้แก่เหตุที่จิตบางดวงรู้ได้ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตะสมุทารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะยอ่อเหตุปัจจัยมีกล้าววาระอรมณะปัจจัยมีกล้าววาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาววาระอนุโลมจบนะเหตุปัจจัยมีกล้าววาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีกลาวาระการนับวาระทั้งสี่อย่างบริบูรณ์แล้วอย่างนี้ ปัจนิยะจบเยนะจิวินยยะทุกกะจบจุลันตระทุกะจบ 3. อ, อาสวะโคจกะสิบสี่อาสวะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัญญานุโลม หวิพังขวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะอาศัยกามาสวะเกิดขึ้นกามาสวะและอวิชชาสวะอาศัยทิฏฐาสวะเกิดขึ้นกามาสวะและทิฏฐาสวะอาศัยอวิชชาสวะเกิดขึ้นอวิชชาสวะอาศัยภาวาสวะเกิดขึ้น อวิชาสวสาอาศัยทิฐาสวะเกิดขึ้นพึงทำเป็นจักกันในแม้แต่และอย่างแต่และอย่างสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันธ์ที่จำปยุทธ์ด้วยอาสวะและจิตตะสมุทานรูปอาศัยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ ทิฏฐิสวะอวิชชาสวะสัมปยุตขันและจิตตสมุทานรูปอาศัยกามาสวะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจกนักกนัย 2. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ อาไทวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยอาไทวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่อาสวะสี่อาศัยขันที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่ขันสาอาสวะและจิตตสมุธานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสาสภาวธรรมที่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะ อาศัยคามมาสวะและสมัยุตขันเกิดขึ้นพึงผูเป็นจักรันสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะและอาศัยอาสวะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสะวะและที่ไม่เป็นอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทิฏฐิสะวะอวิชชาสะวะและจิตตสมุทนานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสะวะและอาศัยคามาสวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองพึงผูเป็นจักรนายย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสี่ เหตุปัจจัยในเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยะปัจจนยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัย 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาจวะ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะน่าเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตย์พรม สภาวธรรมที่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทจจะเกิดขึ้นน่าอรมณปัจจัยหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะหนารมณปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละถึงอาไทยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญสัตตพรม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะนะารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยอาสวะและสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นยอ่อ 2. ปัจยปัจญจิยะ 2. สังขยาวาระสุทไนย 7. นเหตุปัจจัยมีสองวาระนะารมณปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปต hmm? you know, mm ิปัจจัยมีเ้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระณอุปาินียปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจใจมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระณอเสวณัปปัจใจมีเ้าวาระณกรมมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจใจมีเ้าวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมค้าปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระณวิบยุตตะปัจจัยมีเ้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจ尼ยะจบสปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุทุกขะใน นอารรมณะปัจใจกเพตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระนออนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาดิสียะปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนปัชฌาชาตะปัจจใจมีเ้าวาระนอเสวนปัจจัยมีเ้าวาระ นกกรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจใจมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจใจมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจญิยะจบสปัจญยปัจญิยานุโลมนเหตุทุกข์ใยเก้อารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสองวาระ อนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงมรคปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระปัจจนิยานุโลมจบสหชาติวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ สิอาสวะทุกะสปัจยาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจสิบสภาวธรรมที่เป็นอาสวะทำสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยบทที่มีอาสวะเป็นมูลมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทารูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองละถึงในปฏิสนธิขณะหาไทายวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปและกัตตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมาหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นอาสวะ ทำอัตไธยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่อาสวะทำขันที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอาสวะธรอัไธยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ ขันสามอสุวะและจิตตะสมุทานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอสุวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองอสุวะและสัมปยุตตะขันธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 11. สภาวธรรมที่เป็นอสุวะทำสภาวธรรมที่เป็นอสุวะและที่ไม่เป็นอสุวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ทิฏฐอสวะและอวิชชาอสวะ ทำการมาจวะและสัมปยุตตะขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกไนยทิฐาศวะและอวิชชาสวะทำการมาสวะและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกไนสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุก ป, ปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะ และทําอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันที่ไม่เป็นอาสวะทําอาสวะและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะทำสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามทิฏฐิสวะอวิชชาสวะและจิตตสมุทานรูปทําขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะ และทำกามาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองพึงผูกเป็นจั ก, กนันทิฐาสวะอวิชชาสวะและสัมปยุตขันทำกามาสวะและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกใน ย, ย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสองเหตุ ป, ปัจจัยมีกลาวาระอรมาณะปัจจัยมีกลาวาระ อธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระละถึงวิปากาปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปัจญญาหนึ่งวิพังขวาระหน้าเหตุปัจจัยสบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะธทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุปัจจัยได้แก่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 สภาวธรรมที่เป็นอาสวะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน้เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรตด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยอุทจจะและธรรมไทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 2. ปัจญ ย, จ ย, ย, จ ย, ยปัจจเนย ะ, ยะสสังขยาวาระสิบสี่ นเหตุปัจจัยมีสองวาระนอรารรมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงนักธรมปัจจัยมีสามวาระละถึงนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัธิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับจํานวนทั้งหมดอย่างนี้นิสยาวาระเหมือนกับปัจยะวาระสิบสี่ อาสวะทุกกะห้าสังสัตถวาระหนึ่งถึงสี่ปัจจญานุโลมเป็นต้นสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเกิดรกนกับสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเพราะเหตุปัจใจได้แก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเกิดรกนกับกามาสวะพึงผูเป็นจักกนัยย่อเหตุปัจใจเมฆาวาระอารมณปัจใจเม้าวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนัปุไรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตตปัจจัยมีเก้าวาระนอาสวณปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระ นาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนามคคะปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, น า, ะ, จจ น, าระนาวิปยุตตปั จ, จัจมีเ้าวาระการนับและสัมบยุตตวาระเหมือนกับสังสถาวาระสิบสี่อสวทุกกะเจ็ด ปัญหาวาระหนึ่งปัจจ ญ, ญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัย 16. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่กามาสวะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะโดยเหตุปัจจัยพวารสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาสวะโดยเหตุปัจจัยพึงผูกเป็นจักกันใน สภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่กามาสวะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะอวิชชาสวะสัมปยุตตะขัน และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอาสวะ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 เหตุที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารมณะปัจจัยสิปสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปราลบอาสวะอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยอารมณะปัจจัยได้แก่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 รักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตระผูโวทานมรรคผลและอวัชนะจิตด้วยระมณะปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น เห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตุขันที่ไม่เป็นอาสวะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นอาสวะด้วยเจยโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะอาจินัญญายัตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณสัญญาัตนะ รูปายตะนะเป็นปจัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตะนะเป็นปจัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่ไ ม, ม, ม, ม, ม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิญญาณเจโตปริยญาณปุเพนุวาสานุสติญาณยะถากรรมูมปากยานอนาคตังสยานและอาวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอารมณปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานยินดีเพลเพลินกุศลนั้นเพราะปรารุความยินดีเพลเพลิงกุศลนั้นอาสวะจึงเกิดขึ้นบุคคลสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานยินดีเพลเพลินจากสุขหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะเพราะปรารุความยินดีเพลเพลินจากสุเป็นต้นนั้นอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานเหมือนกับข้อความตอนที่สองบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่ไม่เป็นอาสวะเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นอาสะวะและสัมปยุตตขันจึงเกิดขึ้น 20. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอารมณปัจจัย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 โดยระมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบอาสวะและสัมปยุตตะขันอาสวะและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นอาทิปติปัจจัย21สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะโดยอาทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติจจได้แก่เพราะทําอาสวะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอาสวะจึงเกิดขึ้นมีสามวาระ เหมือนกับอารามณปัจจัยพึงทําให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมามนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมามนาธิปติดได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรร พิจารณาผลพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตระผูโวทานมักและผลโดยทิปฏิปัจจยัยบุคคลยินดีเพืิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพืิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสจชะตาธิปติได้แก่ อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมวยุตคันและจิตสตสโมทานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปฏิและสหชาตาธิปฏิอารมณนาธิปฏิได้แก่บุคคลให้ทานยินดีเพลิดเพลิงขันที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทาความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอาสวะจึงเกิดขึ้นสชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นอาะวะนสวะเป็นปัจจัยแก่สัมยุญต์อาสวะโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติ อารามนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละถึงยินดีเพล่ดเพลินขันที่ไม่เป็นอาสวะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพล่ดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขันอาสวะและจิตตสมุทานรูปโดยอธิปฎิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินอาสวะและสัมปยุตตะขันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นและถึงอาสวะจึงเกิดขึ้นมีสามวาระพึงทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอนันตระปัจจัย22สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อาสวะที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อาสวะที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อาสวะที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาสวะเป็นปัจจัยแก่วุฐานะ โดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อาสวะที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่อาสวะและสัมวยุตขันซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยยี่สิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดหลังๆังโดยนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูพละสมาบัตโดยนันทระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยนันทระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดต่นก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอาสวะซึ่งเกิดหลังๆังโดยนันทระปัจจัย อาวชนาจิตเป็นปัจจัยแก่อาสวะโดยอนันตราปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยอนัตตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดกกิดก่อ น, อนเป็นปัจจัยแก่อาสวะและสัมปยุตขันธ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยนดอนัตตราปัจจัย 24. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยนันทระปัจจัยมีสามวาระสมนันทระปัจจัยเป็นต้นยี่สิห้าสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยสมนันทระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระพึงแสดงหทัยวัตถุด้วย อุปนิสัยปัจจัย26สภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอันันตารูปนิสัยและประกาศตูปนิสัยประกาตูปนิสัยได้แก่อาสวะเป็นปัจจัยแก่อาสวะโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระ27สสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมโปันิสยาอนันตะรูปปัณิสยและปะกะตูปปนิสยาปะกะตูปปนิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมาณะเธอทิฏฐิอาศัยศีลเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสง์ศรัทธาละถึงเสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาภะสมาบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออริมนูปานิสยาอันันตารูปานิสยาและปะกะตูปานิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเถรทิฏฐิอาศัยศีลและถึงทำลายสงศ์ศรัทธาเสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ราคะความปรารถนาะโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปะเนสยอนันตารูปะเนสยและปกรตูปนินสยปกระตูปะเนสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเถอทิฏฐิอาศัยศีลเสนาสนะ และถึงฆ่าสัตว์ทำลายสงศิษธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณู ป, ปาณิสยอนันตรู ป, ปาณิสยและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปนิสยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัย ย8สิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลพิจารณาจักสุหาไทยวัตถุพึงขยายให้พิสดารอย่างนี้โพธพาเยตะนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่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 หาไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นอาสวะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแห่อาสวะโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เ <|so|> ป็นอาสวะโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่ บุคคลยินดีเพื่อเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารกฏความยินดีเพื่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นอารวะและสัมปยุตตขันจึงเกิดขึ้นวัตถุปูเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อารวะและขันที่สัมปยุตด้วยอารวะโดยปูเรชาตะปัจจัย